วิธีระงับอุเคเขปปณยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคเขปปณยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตอย่างนี้คือภิกษุชนะนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลาย นั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติพึงขอแม้ครั้งที่สองท่านผู้เจริญ กระผมถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติพึงขอแม้ครั้งที่สาท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่ง กลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชนะนี้ถูกสง์ลงอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบ หายเยื่อยิงกลับตัวได้ขอระ ง, งับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระ ง, งับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตถแก่ภิกษุชนะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชนะนี้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหาเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุกเขปปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติสงระงับรรงอุกเขปปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุชนะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับอุกเขปปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุชนะแล้ว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 กลับตัวได้ขอาระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติสงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุชนะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว <History> ่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุชนะแล้วท่านรูปนั้นผึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้น พึงทักท้วงแม้ครั้งที่สาข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชนะนี้ถูกสงลงอุบเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่ยิงกลับตัวได้ขอระงับอุเบเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต สงกระงับอุกเขปปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุชนะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับอุเขปปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุชนะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุกเขปปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตสงกระงับแล้วแก่ภิกษุชนะ สงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตที่หจบ